แนะนำบทอัลกออร์บทอัลกออร์มเป็นบทมักกิยามีห้าสิองค์การบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องสำคัญหลักสามเรื่องด้วยกันหนึ่งเรื่องสารซึ่งพวกปฏิเสธชาวมักการนำมาเป็นข้ออ้างเกี่ยวกับการเรียกร้องเชิญชวนของม uh ุฮ ah ัมมัดอิบลูอับดุลละสลลล์ลอวะไลวะสลัมสองเรื่องของชาวสวนเพื่อที่แจงถึงผลของการเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ 3. โลกอาคีระที่มีทั้งความน่ากลัวและความรุนแรงของวันนั้นและสิ่งที่อัลล์ทรงเตรียมไว้สำหรับสองกลุ่มคือบรรดามุสิมและพวกปฏิเสธศรัทธาแต่เป้าหมายหลักซึ่งบทนี้กล่าวมากคือเรื่องการยืนยันการเป็นนบีของมูฮัมมัดสลลลัลวะไลวะสลัมบทนี้ได้เริ่มโดยการกล่าวถึงตาแหน่งอสูงส่งของท่านรอซูนสอลลัลวะไลวะสลัมเกียรติยศของท่าน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 และท่าทีของคนชั่วและได้จบลงด้วยการให้ทรลลอลฺสัลลัลลอฮฺแอลลอฮสลัมอดทนต่อการทำร้ายของพวกมุส ล, ลิมด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอนูน ขอสาบานด้วยปากกาและสิ่งที่พวกเขาขีดเขียนมาตรับด้วยความโปรดปรานแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเจ้าไม่ได้เป็นผู้เสียสติวะแิงนันมีผละอบแรนอย่างไมรขานนานและแท้จริงสำหรับเจ้านั้นมีผลตอบแทนอย่างไม่ขาดสายวะะิินนนลลุกอีม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 เจ้าอ่อนข่อและพวกเขาก็จะอ่อนข้อตาและเจ้าอย่าปฏิบัติตามทุกคนที่เป็นผู้สาบานที่ต่ำช้าผู้นินทาตะเวนใส่ร้ายผู้อื่ น, น, น, น, นผู้ขัดขวางการทำความดีผู้อาธรรม หูมีบาาปนเป็นคนอยากทายยิ่งกว่านั้นยังเป็นคนอยากช้าอีกด้วยาาวโดยถือว่าเขาเป็นผู้มีทรัพย์สินและมีบุตรหลานมากาลา เมื่อบาดาองการของเราถูกอ่านแก่เขาเขากล่าวว่ามันเป็นนิยายสมัยโบราณามมเราจะตีตราบนปลายสมูกเราได้ทดสอบพวกเขาดังเช่นที่เราได้ทดสอบบรรดาเจ้าของสวน เมื่อพวกเขาสาบานว่าจะเก็บเกี่ยวผลของมันในอย่างรุนแรและพวกเขาไม่ได้กล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮนดังนั้นการลงโทษจากพระผู้พิบาลของเจ้าก็ได้ทำลายสวนนั้นขณะที่พวกเขากำลังนอนหลับอยู่ ครั้นเมื่อตอนเช้ามันก็กลายเป็นเส้นสิ่งถูกตักอย่างราบเรียบดังนั้นพวกเขาจึงปู่ตะโกนให้ตื่นแต่เช้าตรู่รจงเข้าไปในสวนของพวกเจ้าให้ตอนเช้าตรูเ่เถิดหากพวกเจ้าต้องการเก็เก็บผลไม้ลแล้วพวกเขาพากันออกไป โดยพวกเขาพูดกระซิบซึ่งกันและกันอย่างเบาๆลลา ว, าว่าวันนี้อย่าได้ให้คนยากจนขัดสนสักคนหนึ่งเข้าไปหาพวกเจ้าในสวนนั้นแล้วพวกเขาก็ได้ออกไปแต่เช้าตั้งใจว่าจะเก็บผลไมาห้หมดก่อนที่คนยากจนจะเข้าไปในสวน เ่อพวกเขาเห็นสวนอยู่ในสภาพที่ถูกทำลายพวกเขาก็กล่าวขึ้นว่าแท้จริงเราหลงทางเสียแล้วบาบงคนกล่าวว่าปล่าบอกพวกเราถูกหวงห้ามสิธิ์เสียแล้วลล ل ل คนที่มีสติปัญญาคนหนึ่งในหมู่พวกเขากล่าวว่าฉัานไม่ได้บอกพวกเจ้าดอกนี้ ว, ว่า ทำไมพวกเจ้าจึงไม่กล่าวสะดูดีบบอ่ะล่ะพวกเขาจึงกล่าวว่าพระผู้อิบาลของเราผู้ทรงมหาบริสุทธิ์แท้จริงเรานั้นเป็นผูอ้อัรรม และบางคนในหมู่พวกเขาก็หันไปต่อว่าซึ่งกันและกันพวกเขากล่าวว่าโอ้วามหายนะาประสบแก่พวกเราแล้วเพราะเราเป็นผู้ฝ่าฝืนอาซารดน่าอีบดิลน่าขยรันมินฮาอินน่าอิลรบน่า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 าพวกเขรู้จริงสำหรับบรรดาผูย้ยำเกรงหน้าที่พระผู้อภิบาลของเขานั้นคือสวนสวรรค์อันบรมีลัสุดดังนั้นเราได้ปฏิบัติแก่บรรดาผู้เป็นมุสลิม เสมือนกับเราได้ปฏิบัติกับผู้กระทำผิดขณะนั้นหรือมมลกคเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเจ้าทำไมพวกเจ้าจึงตัดสินเช่นนั้นอมลกตาบดูหรือว่าพวกเจ้ามีคำภี์ไว้สำหรับอา่านซึ่งในคำภีร์นั้นมีสิ่งสำหรับพวกเจ้า ที่พวกเจ้าจะเลือกเอาได้อ อ, ร ى ي อหรือว่าพวกเจ้ามีสัญญาผูกพันกับเราจงกระทั่งถึงวันเกียมะว่าแท้จริงสําหรับพวกเจ้านั้นจะได้กระทําตามที่พวกเจ้าตัดสินเอาไว้ไอมบมุฮัมมัด ต้องถามพวกเขาดูว่าคนใดในหมู่พวกเขาจะเป็นหัวหน้าในการตัดสินเรื่องนั้นหรือว่าพวกเขามีหุ้นส่วนกับอัลลอพ์ก็จงให้พวกเขานำหุ้นส่วนของพวกเขามาหากพวกเขาพูดจริงวัน วันที่น่าแข้งจะถูกเปิดในวันกิยามะพระเจ้าจะมาตัดสินคดีน่าแข่งของพระองจะถูกเลิกขึ้นและพวกเขาจะถูกเรียกให้มากราบแต่พวกเขาไม่สามารถที่จะกราบได้ินด สายตาของพวกเขาจะละห้อยความต่ำต้อยจะปกคลุมพวกเขาและแน่นอนพวกเขาเคยถูกเรียกให้มากราบแล้วขณะที่พวกเขาอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยแล้วจะจุดประกายจากที่ที่พ ي กเข ل َม่รู้ แังนั้นจงปล่อยให้ข้าจัดการเถิดสำหรับผู้ปฏิเสธต่อคัมภีร์อังกุรอ่านเราจะนำพวกเขาสู่การลงโทษทีละขั้นโดยที่พวกเขาไม่รู้มีนและค้าจะประวิงเวลาให้แก่พวกเขา แท้จริงอุบายของข้านั้นแข็งแรงนะหรือว่าเจ้าได้ขอค่าตอบแทนจากพวกเขาดงนั้นพวกเขาจึงแบกภาระหนักเพราะมีนี่สัย ห, หรือว่าพวกเขารู้สิ่งรึนลับ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 หากไม่ใช่พระความเมตตาจากพระผู้วิบาลของพวกเขามีมายัางเขาแล้วเขาคงถูกเวียงไปยังที่โล่งเปลี่ยนและเขาจะถูกตังหนีด้วยแต่พระผู้วิบาลของเขาทรงคัดเลือกเขา และส่งให้เขาอยู่ในหมู่ผู้กระทำความดีและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นสายตาของพวกเขาแทบมองจ้องกมิงไปยังเจ้าเมื่อพวกเขาได้ยินอัลกุรอานพวกเขาก็กล่าวว่า แทาจริงเขาเป็นคนบ้าแน่ๆแต่อัลกุรอานนั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่ประชาชาติในสากพลโลก